การเปิดอบรมงาร้อนนี้ก็ก็เรียกว่ามีความรู้สึกอีกแบบหนึ่งนะถ้าหากว่าเราไม่เข้าใจถึงสภาวะธรรมชาติภายนอกภายในก็จะเอาผล <c oughs> การปฏิบัติได้ยากอยู่แต่เรารู้จักปรับหาความพอดีใี้เหมาะสมกับกำลังของอุตุคือ อวาพลังความสมดุลภายนอกภายในอินฟ้าอากาศถ้าเราปรับตรงนั้นได้มันก็ได้ประโยชน์ือนะเหมือ น, นที่ได้กล่าวมก่อนว่าการที่จะตกแต่งเหล็กสะท้อนหนึ่งให้เป็นอาวุธเนี่ยซึ่งมันจะต้องอาศัยเทคนิคจากด้านปรับความสมดุลระหว่างร้อนเย็นให้พอดีกันนะเพราะฉะนั้นอาวุธ เครือ่องมือทุกอย่างเป็นจอบ <c oughs> เสียมมีดอะไรต่างๆซึ่งเมื่อก่อนมันก็ปเป็นเหล็กท่อนหนึ่งพอการ <c oughs> ปรับแต่งด้วยความสมดุลพอดีของอการใช้การภาวนาที่เป็นเครื่องมือที่จะปรับเปลี่ยนตกแต่งให้เป็นสัญชตาติญาณเหมือนเหล็กเดิมล้วนๆสัญชตาติญาณของความรู้สึก ของกายก็เวทนาของจิตขออารมณ์ <c oughs> มันเสือเสมหมือนวัตถุนิบที่เป็นเล็กตัวหนึ่งที่จะต้องมาเผา <c oughs> มาตกมาแต่งให้มันเป็นอศีลเสริสมปัญญาให้ได้ซึ่งของเดิมแท้ของเขาถ้าเขาเปลี่ยนเขาเป็นไปตามนั้นก็เรียกเป็นหลักของอนิจจังทุกของหน้าตาถ้าเราปรับเปลี่ยนไม่เป็นมันก็ยังเป็นไปตามกฎของมัน เหล็กมันก็ต้องเข้าสนิมหมดสภาพไปแต่พอเรามาตกแต่งเป็นอาวุธเป็นมีดไปเจอบเป็นเสียมกลมันจะเข้าสนิมหมดสภาพแล้วก็ได้ประโยชน์จากมันตั้งเยอะร่างกายนี้เป็นที่ตั้งของความเปลี่ยนแปลงตามกฎของนิจําทุกของน่าตาตามธรรมชาติถ้าเราไม่ได้ปรับเปลี่ยนแต่งอะไรมันก็แก่เจ็บตายไปโดยที่ไม่ได้ประโยชน์อะไรแต่พอเรามาปรับเป็นเนี่ยปรับ ตัวอนิจจังทุกขังนัตตาเป็นด้วยอำนาจของวิปัสนาภาวนาโดยการใช้หลักของอัตบาทหรืออาตาปีเ <c oughs> ข้ามาเป็นตัวเผาให้ร้อนเนี่ยเผาเล่ง <c oughs> ความทุกข์ที่มันมีอยู่น้อยนะ่เล่งให้ร้อนขึ้น <c oughs> ก็เปลี่ยนจากตัวศีล แต่นตัวอนิจจังให้เป็นศีลตัวทุกขังให้เป็นสมาธิเปลี่ยนตัวอนัตตาให้เป็นปัญญาขึ้นมาโดยการใช้ตะบะคือความเพียรร้อนสูงสุดเนี่ยโดยการเพิ่มเพิ่มความร้อนที่มันมีอยู่แล้วไม่พอนะมนสมมติเราโยเอล็กไปเผาไฟธรรมดามันตีไม่ได้มันไม่มันไม่แดงใช่ไหมต้องไปเพิ่มความร้อนด้วยกัน แต่เดี๋ยวนี้เขาไม่ได้ใช้ลูกสูบเหมือนโบราณ น, นะเแช่อะไรเปิดพัดมเป่าเลยฮะอันนั้นแต่เปิดพัดมเตาถ่านให้มันแดงเลยเขาเล็กให้แดงภายในไม่ต้องไปโยกลูกสูบให้ยากเมืลยก่อนเปิดพัดมเป่าทีเดียวแดงปั๊บก็ไปตีเอาไปตีปั๊บก็เอามาแช่น้ํา พอแช่น้ําให้ปรับเหล็กให้มันสมดุลแล้วก็มาห่อให้แดงใหม่แล้วก็ตียจนไปรูปไปล่างฉันได้ก็ดีจิตของเราเนี่ยที่มันรับทั้งของสารภาพเหมือนเหล็กกล้าพร้อมที่จะเป็นเหล็กอ่อนก็ได้เหล็กแข็งก็ได้ถ้ามันเป็นไปในอำนาจของฉันชัตตายานเดิมเพวกมันก็เป็นเหล็กธรรมดาพร้อมที่จะเป็นสนิมพร้อมที่จะใช้งานให้เต็มความสามารถไม่ได้ แต่พอเราเอามาจิตของเราเนี่ยพอมาเผาลมฤทธบัติคื อ, อาตาปีสัมปชานสติมามันก็จะเป็นจิต ท, ที่กล้าแข่งขึ้นมา น, นะด้วยการปรับร้อนปรับเย็นปรับร้อนปรับเย็นตลอดเวลาที่เราปรับในที่เราตีแล้วก็ฝึกจิตของเราจิตของเราที่มันเลื่อยไหลเรื่อยช่วยไปกับความคิดอารมณ์ต่า ง, างๆพอเราเอาตัว ตบาบะเข้ามาปรับมันก็เป็นรูปร่างของปัจจุบันที่เราตีโดยใช้ปัญญาจิตของเราก็เลยแปลงเหล็กธรรมดาเป็นศีลเหล็กธรรมดาดเป็นสมาธิเหล็กธรรมดาจิตธรรมดาเป็นปัญญาเนี่ยลักษณะของการเข้าฟันตีแบบนี้โดยการใช้ตบาบะเพราะนั้นจะถามว่าเรามาปรับธรรมาเพ็งตาบะเพื่ออะไร เพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงจิตที่เป็นสัญชัตยานหรือไตรรักเนี่ยให้มันเป็นปัญญาญาณอำนาจของตรสิขาแค่นี้เอง่ชีวิตทั้งชีวิตก็เปลี่ยนเปลี่ยนสภาพจิตที่เคยเป็นสัตว์นรกก็กลายมาเป็นตัวเป็นพัฒนาเป็นมนุษย์จากเป็นเปรตสุรกายพัฒนามาเป็นเทวดาจากเรลิชันพัฒนาเป็นพระพรหม จากมนุษย์ธรรมดาเป็นพระอริยเจ้าพัฒนากลับกลับกลัขึ้นมาจริตของเราก็จะพ้นจากความยากลำบากการมธรรมชาตินั้นอันนี้คือเหตุผลว่าทำไมเราต้องฝึกอันที่จะว่าตั้งแต่วันแรกใยการเหมือนเด า, าเวาบําเพ็ญตวัดคือให้เพิ่มความทุกข์ขึันมากขึ้นเหมือนไฟที่เราลิงมันมากขึ้ น, ม น, ม น, มนสมมุติว่าเราจะหลอมแร่ธาต ของความธาตุแรกต่างๆมาจากใต้ดินเนี่ยบางทีความร้อนแค่ห้าสิบหรือร้อองศาเนี่ยมันไม่สามารถจะหลอมได้ต้องไปเป่าให้มันหลอมให้มันถึงจุดหลอมเป็นพันองศาอย่ง เ, เป่าแก้วเนี่ยสามารถเผาทรายให้เป็นหลอมเดี๋ยวเป่าบนแก้วรูปร่างของแก้วเพื่มาแลกเปลี่ยนเนี่ยเพจะเป่าได้รูปได้หลังเนี้มันจะใช้ความร้อนสูงมาก เราเป่าออกมาเป็นแก้วใสสาดนี่ความเป็นแร่เป็นธาตุที่ติดมากับแก้วนี่ถูกล้อหมดเลยเหลือแต่เนื้อแก้วใสๆเล้วนจิตของเราเหมือนกันมันจะปลอมปนด้วยกิเลสธาตุธาตุต่างๆธาตุแห่งราคะธาตุโทสธาตุโมหะธาตุอวิชชาตัญหาธาตุอะไรเป่าออกหมดเลยเหลือธาตุพุทธธาตุพุทธภาวะธรรมธาตุใสๆอย่างเงี้ย เรามาเอาใช้ตัวธรรมะของเราเปร่าจิตของเราแม้แต่ไปเผาแล้วมัก็ยังเหลือเป็นธาตุกระดูกก็ยังกลายเป็นพระธาตุไปเลยใช่ไหมใน <c oughs> กําลังของตะบานะทั้งทั้งเป็นรูปประทัมท่านนำมาทำถ้าเป็นรูปประทัมก็คือว่าธาตุกระดูกของเรากลายเป็นพระธาตุท่านนามาทำก็กลายเป็นราค่าธาตุมาเป็นเป็นศีลโทสะธาตุมาเป็นสมธิดมหาธาตุมาเป็นปัญญาเปลี่ยนแปลงหมด ด้วยจุดหลอมของตะบะคือความเพียรที่เราทำเนี่ยดัง น, นั้นเองความเพียรที่เราทาจึงเป็นการเพิ่มแรงของตะบะให้มันสูงขึ้นเหมือนกับไฟธรรมดาไม่สามารถจะหลอมธาตุเหล็กทาตทองคาให้มันออกจากสนิมตะกรนตะกันเศษเหล็กเศษหินเศษปูนเศษดินต่างๆออกมาได้ความร้อนไม่สูงพอที่จะสละแต่พอมัน พอามาถูกความร้อนเป็นพันๆองศาไปมันหลอมเอาธาตุแทะออกมาธาตุที่ไม่แท้ก็ตกไปเพราะนั้นความเพียรถ้ามันต่ําอยู่เนี่ยมันไม่สามารถจะหลอมเอาธาตุรมธาตุพุธธทธะธรรมะสังฆะออกมาก็ยังเป็นตัวอกุศลธาตุคือราคาาาาธาโทสัมมหะโลภธาโทสัมมหะธาตุอยู่ซึ่งมันก็เราจะ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 จิตใจของเราถ้ามันตกไปอยู่ธาตาุที่ปอมปนด้วยกิเลสและหาประทานอยู่มันก็ทำให้ชีวิตนี้ไม่มีค่าอะไรตกอยู่ในตมในจมในโ <c oughs> คลนของกิเลสมันจะแล่ทัดจมอยู่ในดินฉะนั้นอาศัยวิศวกรทางญ า, า, าตแยกแลดทาดของนามธรรมบุรัษธรรมแบบอย่างผู้ทีเจ้าและพระหันขีในศพทั้งหลายที่ท่านทำมา แล้วก็สูมข้อประสบการณ์เหล่านี้มาถึงเราเราก็มาทำต่อพอมาทำต่อเราก็ทำได้สาเร็จแล้วแยกธาตออกว่าเอออันนี้เป็นความคิด่าตุแห่งที่จะนำไปสู่ความแปรปวนเปลี่ยนแปลงเป็นท่าตุแห่งความคิดแล้วก็แยกท่านหนึง่งพุทธธาตุคือธาตุแห่งพุทธแยกออกมาอีธาตหนึ่ง โดยอาศัยความเพียรสูงที่เราทำกันทั้งวีทั้งวันเนี่ยมาหลอมแยกท่าระหว่างตัวรู้กับตัวคิดออกมาและตัวรู้ตัวคิดก็แยกกันเห็นชัดขึ้นชจ้ขึ้นตราบใดตัวรู้นี้ยังไม่บริสุทธิ์สะอาดผู้ที่แช่ทำประกาศเลยว่าตราบใดที่เรายังไม่อ่าจิตของเรายังไม่บริสุทธิ์บริบูรณ์ชื่นสิงเนี่ยเราก็พิจารณาอย่างนถึงถึงอาการาปริวัติสามรอบ อาการ12ปริวัติสอาการ12ในเวลาเราสวดในธรรมจักอ่าหากว่าจิตนี่ยังไม่บริสุทธิ์ด้วยดีเพียงใดเราจึงไม่ประกาศตวนว่าเป็นสัมมาสัมพุทธะเมื่อเราได้ตรวจสอบถึงปริวัติสด้วยอาการปริวัติสปริวัติสิบสอด้วยอย่างละสามรอบทุกพิจารณา สามรอบสมุทัยพิจารณาสามรอบนิโรธพิจารณาสามรอบมรรคพิจาสามรอสามสี่สบสองปริวัติสามอาการสิบสองเราถึงมั่นใจว่าจิตของเราได้ถูกฟอกฝนเพื่อสะอาดแลเป็นพุทธะเป็นทองคําบริสุทธิ์ล้วนๆเราประกาศจนเป็นสมมาสมุทธยอย่างองอาจจิตของเราก็จบสลายกันแล้วก็มาฟอกมาฝนด้วยความเพียรร้อยหนพันหนขึ้นมาจนจิตเราสัมผัสได้ว่าจิตเราสะอาด รู้สึกโล่งโปร่งเบาสบายจากราคาธาตุสะธาตุมัธาตุมันเป็นธาตุที่ใสสะอาด ม, มันแก้วใสๆเพราะฉะนั้นเองหลักการอันนี้มันจึงไม่เป็นเรื่องซับซ้อนเกินไปที่เราจะเข้าใจไม่ได้แต่ว่าเรายังขาดตา้นแะหม่ะเหมือนกับเราหลอมธาตุว่ายังเป็นธาตุบริสุทธิ์ขาดอุณหภูมนะิที่จะหลอมนะ ที่จะดอมให้ธรรมธาตุเหล่านี้ให้เป็นทองบริสุทธิ์ให้เขาจะใช้เขาพรมจ ร, รั์พรมจ ร, รย์ประพฤติเพียงลงพรมสาดเป็นดังผรมประพฤติพรมจ ร, รัญดังนั้นการปฏิบัติเราก็าหลักย่อเข้ามาหลักง่ายๆโดยอาศัยแยกขาดว่าถ้าหากว่ามันเป็นตัวอวิชชาธาตุหรือตัวไม่รู้เนี่ย มันก็จะทําให้จิตนี้นตกไปอยู่ฝักฝ่ายของตรัยลักษณ์หรือสามั ญ, ญลักษณ์คือต้องหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปตามสี่งแวดล้อมภายนอกนะแต่ว่าร่างกายนี้เป็นผลแห่งกรรมที่เราได้มานี่นมันจะต้องหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปตามกฎของมันคือนิจังทุกหน้าตากีิ่อย่างเกลี่ยงไม่ได้ แต่พอเรามาพัฒนาตัว <c oughs> ตัวรู้สึกที่มันเป็นตัวตรางของความคิดเนี่ยให้แยกออกมาต่างหากสกัดออกมาต่งหากสกัดตัวรู้ออกมาต่างหากด้วยอาศัยหลักการของความเพียร น, นะคืออาตาปีเพียรด้วยสติสามาัมมัชนญะเนี่ยก็าสามารถแยกธาตุรู้ออกมาเหมือนเราสกัดจากน้ำมันะมะพร้าวออกจากกระถิมะพร้าว เราใช้ความร้อนสูงอยู่หรือสกัดน้ำมันดิบมาเป็นน้ำมันระดับต่างๆที่เราใช้น้ำมันมีเทนน้ำมันออกเทนน้ำมันเบนซินดีเซลน้ำมันสูตรนด้านสูตรนี้ออกมาซึ่งเดิมๆมันก็เป็นน้ำมันดิบพอมาสกัดมาเป็นน้ำมันเป็นแก๊สเป็นก๊าซอะไรออกมาทั้งหลายระดับฉันใดก็ดีจิตของเราที่ที่เป็นสารบริสุทธิ์แท้ๆมันจะมีพลังนะ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 เกตต่ำงมานิดหนึ่งลองจากน้มันออกเทนเราก็เป็นทั้งหลายอย่างใช่ไหมน้ำมันเบนซินน้ำมันกน้มันโซล่าน้มันดีเซลน้มันดีที่สุดก็ไปใช้กับเครื่องมือที่ใช้พลังสูงสุดคือเครื่องบินบ้างอวกาศบ้างใช้จิตของเรานี่สะอาดจากมุลทินอาสวะต่างๆเป็นระดับหนึ่งก็เรียกว่าเป็นพระหัต เกศสองลงมาเป็นพระอนาคามีเดี๋ยวมีธาตุปมเพิ่มอีกนิดหน่อยเกศสาลงมาเป็นพระสิกขากรมีเกศสี่ลงมาเป็นพระโสรบัมเกศห้าลงมาเป็นสาธุชนเกศหลงมาเป็นกัลยาณชนเกศเจดลงมาเป็นพระภูมิเกศแปลงมาเป็นเทวดาเกศเก้าลงมาเป็นมนุษย์ธรรมดาเพราะว่าต่ำบว่าเกศสิบลงไปก็เป็นอบัยวุภูมิแลเป็น เปรตอสุรการดีชานั้นเนะเป็นชั้นตะสูงและต่ำออกม า, พาพมมเพราะแปลบบยปุ่มหมายว่ายังเป็นแหลทธาตุน้ํามันดิบอยู่ใต้ดินอยู่นีงไม่ได้กันเลยเห็นไหมมันมันเป็นในรูปธรรมมันก็ไม่ต่างกันนามธรรมนะ <c oughs> แต่ที่นี่ทํำไมยังสงสัยเพราะเรายังไม่เห็นทั้งสองฝ่ายแจ่รู้หากันยังไม่เห็นรูปธรรมนามธรรมจะรู้หากันก็เพราะเรายังคล้องอยู่ในอวิชานเองนะ เพราะนั้นเราก็ต้องมาจำต้องมาสร้างเปลี่ยนตัววิชาให้เป็นวิชาให้มากขึ้นเปลี่ยนจากตัวคิดให้เป็นตัวรู้ให้มากขึ้นเปลี่ยนตัวอยากตัวอะไรต่างๆโกรธตัวโรคกู้หลงให้เป็นตัวรู้ให้มากขึ้นเปลี่ยนน้ามันดิบให้เป็นน้ํามันที่มัมีเกจสูงขึ้นเรื่อยๆน้ํามันดิบจะไปจุดไฟเป็นไหมติดไหม น้มันหมูน้ำมันกะทิเนี่ยไปติดไฟติดหมไม่ติดเนี่ยพอกันมันเป็นน้ำมันล้วนเ ย, ยติดใช่ไหมเห ม, มือนกันเพรานะนั้นไอ้ตัวคิดเนี่ยมันเอาไปพิจารณาเป็นให้แสงสว่างในธรรมไม่ได้เพราะมันเป็นวัตถุติดแต่พอมากรนตัวคิดให้เป็นตัวรู้ขึ้นมาก็เป็นที่แสงสว่าง่างสินสิรปัญญาแยกธาดเอากไปเห็นแจ้งว่าอะไรเป็นอะไรหลักกณะเดียวกันนะไม่ใช่ซับซ้อน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 เรียนหนังสือตลอดชีวิตแต่กอบการงานหาเงินตลอดชีวิตเพื่ออะไรเพื่อได้วัตถุปัจจัยมาเป็นแลกเอาความได้อย่างอย่างใจอ่ะไอสิ่งไหนที่เราพอใจให้มันได้อย่างนั้นนี่คือการชัตยานที่เรามีทุกคนเริ่มต้นตรงนี้ที่นี้เราจะลดความลดความติดยึดในความสบายนี้ได้อย่างไรอันนี้คือหน้าที่ของเราเรปฏิบัติ แต่ในขณะเดียวกันเราก็จะลดความกลัวในสิ่งที่มันไม่เป็นไปนได้อย่างใจในี้ได้อย่างไรเ ร, เราก็กลัวบบกลัวสะาสกลัวก็กลัวก็มาจากความไม่ชอบนั่นเองความไม่ชอบก็คือทุกข์ถ้าเป็นอาการของกายเรียกว่าสุขขั ง, ท, ขงขขทุกขขังสุขเวทน า, าทุกขเวทนาแล้วก็อทุกขโมหเวทนา พอมาเปลี่ยนถ้าหากว่าเราไม่เจริญภาวนาสูขทุกเวทนาทางกายทั้งใจก็มาเปลี่ยนเวทนาทางจิตเป็นความชอบใจความไม่ชอบใจและความเฉยเฉยเราก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆความชอบใจไม่ชอบใจเฉยก็เปลี่ยนมาเป็นความติดใจความรักความชังความหลงไปเรื่อยๆ ดั and plets, and dash, ่นั้นเองเราจําเป็นจะต้องมาวิปัสนาในอาการเหล่านี้ให้เห็นแจ้งวิปัสนาไปเรื่อยๆเพื่อเห็นให้ชัดไปเรื่อยๆเห็นชัดจนกระทั่งเห็นความคิดก็ชัดเห็นความรู้สึกตัวก็ชัดเล็กๆน้อยๆความรู้สึกชอบความรู้สึกสบายก็เห็นชัดความรู้สึกไม่สบายก็เห็นชัดความรู้สึกทั้งที่มันขามเกี่ยวกันสบายไม่สบายก็เห็นชัด การที่เราเข้าไปเห็นชัดอาการเหล่านี้เรื่อยๆเรียกว่าวิปัสนาวิปัสนาก็เห็นชัดเห็นแจ้งเห็นกว้างเราจึงเรียกวิธีการาวิปัสนาซึ่งคือวิปัสนาเห็นชัดเหล่านี้ปั๊บมันก็สามารถจะรู้ว่าอันไหนเป็นาธาตุแท้อันไหนเป็นาธาตุไม่แทะควาจริงาธาตุแท้ก็มาจากาธาตุไม่แท้เนะนี่ยน้ำมันที่มัน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 คือไม่มีจํากัดคือไม่จํากัดทั้งการเวลาไม่จํากัดสถานที่ไม่จํากัดการกระทําแล้วแต่คุณจะเคลื่อนไหวรูปแบบไหนขอให้คุณใส่ตัวรู้ลงไปความเพียรแบบนี้พูดเลยจึงเป็นอันลิมิตสมัยนี้เราชอบใช่ไหมถ้าอันลิมิตแล้วหมายเอาใช้ให้เต็มที่แข่งเท่าไหร่ฉังก็สู้แล้วอันลิมิตไว้ก่อความเพียรของม่รู้เคือความเพียรแบบนั้นมันก็เลยทําให้ชัดแจ้งได้ไวอย่างนี้นะ แต่ความเพียรอยื่นๆนั่นถามว่าเขาลิมิตลิมิตถ้าคุณจะต้องนั่งทางนี้ต้องใช้วิธีการอย่างนี้ต้องหายใจอย่างนี้ต้องเดินอย่างนี้ต้องนั่งอย่างนี้ต้องกินอย่างนี้ต้องทำอย่างนี้หลวงพ่อเรียนผู้จะกินจะทํำอะไรขอให้รู้สึกตัวไว้ก่อนก่อนอันลิมิตเอามาด้วยโอ้มันนี้เองใช่นะแล้นหนับวัโนโคนก็จะเห็นความสําคัญมากขึ้นสําหรับคนสมัยใหม่นะ อันนี้คือที่ไปที่มาทั้งหมดของคําว่าความเพียรว่าทำไมถึงเพียรเพียรเพื่ออะไรเพื่อนเพื่อน เ, เพื่อแยกธาตุให้สันชัตติานและธาตุแห่งปัญญายาณที่มันอาศัยกันเหมือนน้ํามันกับกะทิดให้มันแยกจากกันได้เท่านั้นเองเพราะนั้นในรูปธรรมเราใช้ความเพียรว่าเตาเตามันจะคําว่าตะบะ เรามาร้อนแต่พอเสริมเข้าไปเป็นวิปาาัสนาใช้กวัตฐะเป็นอาตาปีให้ร้อนมากขึ้นไปอีกร้อนธรรมดาเลยนะอย่างลิสีนี่เขาก็ร้อนเป็นพักๆเขาร้อนมากๆนะแต่เขาร้อนเป็นพักๆแต่ถ้าหากว่เป็นพุทธภาวะเนี่ยมันร้อนไม่มากแต่มันต่อเนื่องอ่านเนี่ยร้อนไม่มากแต่ต่อเนื่องเป็อาตาปีร้อนมากเป็นพักๆนี่กัฏฐะพอมันขึ้นถึงพีกเราก็จบแล้ว ของฤาษีไหประกาเป็นพลังขันศักศดิ์สิทธิเดชปฏิหารตามเป้าหมายเขาต้องการแต่เวลาเขาจะใช้อีกทีเขาองมาปั่นกันอีกทีหนึ่งแตดท่อมาเป็นวิปัสนาไม่ใช่คุณต้องรักษาระดับระดับที่เสมอแล้วก็สุขเองโดยที่ไม่ต้องใช้ ความพยายามมากคือเซต ร, ระบบคงทัวสมัยก่อนเวลาจะหุงข้าวทีจะต้องติดไฟตั้งหม้อข้าวใช่ไหมอคอยตรวจสอบคุเข้าวจะสุกสมัยนี้คุณเสียบปลั๊กไว้แล้วก็ตั้งเวลาไว้เรียบร้อยถึงเวลาคุณมากินได้เลยคุณไม่ต้องไปเสียเวลาคนายวไขาไฟจะติดการดับสูงหรือไม่สูงไม่ต้องสงสัยใช่ไหมแน่นอนคุณเสียบปลั๊กหม้อข้าวนี้ครึ่งชั่วโมงคุณกลับมาคุณกินข้าวได้เลยนี่แรียรระบบวิปัสสนา คือเขาเซต ร, ระบบไว้เรียบร้อยแล้วที่พระพุทธเจ้าเหมือนกันท่านพบสู่เท็มเซตท่านก็เซตระบบให้เราเรียบร้อยแล้วเราก็มาปรับใช้ท่านเองระบบมีปรัชนาคือระบบปรามัตหรระบบออโ ต, โตนะ้นั่นแหละดังนั้นก็จึงเหมาะกับคนยุคปัจจุบันนะในการที่จะใช้มีปรัชนาแบบนี้ดังนั้นในการเคลื่อนไหวของเราเนี่ยมันจึงเป็นอะไรบางอย่างที่สามารถก่อให้เกิดพลัง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 เรือนกับการการต่างๆเนี่ยไม่พลาดที่ต้องใช้วิปัสนาให้เป็นชีวิตอย่าให้ชีวิตนี้ผ่านไปเปลือกเปล่าวิปรีในแต่ละวันที่หมายก็มีความารู้จักคุณค่าว่าสิ่งที่เราการเคลื่อนไหวทั้งหมดนี่คือพลังงานเมื่อก่อนเราน้ำไหลลงทะเลเนี่ยมันเหมือนว่าไม่มีค่าเลยนะ ม่มีปัญญาที่เก็บไว้พอเดือดถึงหน้าแรงมาไม่มีน้ําก็เดือดร้อนใช่ไหมเพรานักวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ขึ้นมาเอาน้าน้ํำเยอะคุณก็เก็บกักไว้กินหนาร้อนแรงมาคุณก็เปิดมาใช้ก็ไม่เดือดร้อนแต่กรณีคุณเปิดมานใช้เยอะเกินไปคุณก็เดือดร้อนเหมือนกันชั้นใดก็ดีความไหลลื่นของอนิจังทุกขัง้นนากาที่ออกมาเป็นการเคลื่อนไหวเนี่ยมันเป็นพลังงานกลนั่นเอที่เรามีอยู่ตลอดเวลา พระพุทเจ้าท่านเป็นนักวิศวกรที่ค้นพบปับนะ๊บเนาคุณก็สร้างเขื่อนขึ้นมาสกัดไว้เอย่าให้ไหลกําลังของนิจฉันทุกข์ทางน้ำตามาันไหลผ่านท่างกายของเราเปล่าสร้างเขื่อนขึ้นมานั่นก็คือสร้างเขื่อนสติเตชะนิวรณนังสติเป็นเครื่องกันสิ่งที่ไหลลื่นทั้งหลายทั้งปวงที่นําไปสู่ความตกต่าใช้สติเป็นเขื่อนได้นะแล้วก็ใช้สมาธิเป็น สิ่งที่เสริมเขือนให้เข้มแข็งขึ้นเสริมสติให้มีพลังขึ้นแล้วก็สามารถที่จะระบายไปใช้ตามความจําเป็นคือปัญญาคุณจะไม่ใช้เป็นน้าเป็นไฟเป็นการาเกษตรเป็นพลังงานระดับไหนก็ค่อยปล่อยไปใช้แทนที่เมื่อก่อนมันไหลริ้วลงไปลงทะเลโดยที่ไม่ได้ประโยชน์อะไรจากมันเลยแต่เดี๋ยวนี้พอเปิดปล่องที่ให้ไปหมุนมอนิเตอร์มันจะไปเป็นอะไรก้ไม่รู้ับ ไปแลรงสูงขายได้ดังหากือเราก็ไปซื้อกระแสจากต่างประเทศมาใช้ใช่กระแสก็เราไม่พอยใช้แล้วอันนั้นคือธรร ม, มาชาติภายนอกคืองแล้ววันหนึ่งเนี่ยกระแสะการเคลื่อนไหวของเราตลอดเวลา เ, เราเก็บกับมันได้เท่าไหร่คุณจุกเก็บกักไดเยอะเรียางารเคลื่อนไหวแต่ละขนาดให้ได้เก็บไว้ไหมไอ้หนึ่งพอพูดเป็นนามาทําไปหรือเปล่า เข้าใจได้ไหมประมวลไม่ค่อยสื่อเลยนะว่ากระแสการลื่นไหลขอการเคลื่อนไหวตลอดเวลานั้นได้เก็บกับมันไว้เท่าไหร่นี่พอจะพอจะประมวลประมวลได้หรือยังการลื่นไหลตั้งแต่การเคลื่อนไหวทั้งหมดของท่าเสียงของเราเนี่ยได้เอาตัวรู้เข้าไปเก็บกับได้เยอะไหมพอจะเป็นเขื่อนไฟฟ้าแรงสูงได้ไหมอะไร เพราะเขื่อนไม่เคยแน่นดีน้ํามันรั่วใช่ไหมกานไวเท่าไหร่ก็รั่วไปเยอะเลยนะบางทีเขื่อนแตกกางกันไวดีๆ ต, ตอนเช้าตอนเทนมาพังหมดเลยนะเพราะอะไรเขื่อนไม่มีไม่มีไส้ไม่มีสไมมส้เล็กเป็นปูนหรือเป็นดินธรรมดาพอเจอน้ําแรงๆก็เขื่อนแตกตอนเช้าได้อารมณ์ดีๆพอตอนบ่ายมันฟุ้งไปก็จชวยกระช่ยชายเลยมนะันสูงเพราะเราสร้างเขื่อนไม่ดี วิจาณให้ดีเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เป็นรูปธรรมมากๆเลยเนี่ยในสิ่งผู้ยากแต่สรุปเนี่ยแต่ด้วยภาษาสมมุติภาษาปริยัติเนี่ยเราไม่ค่อยใจแล้วก็เห็นเป็นเรื่องผู้ยากเราก็เป็นเรื่องสลับซับซ้อนคนก็เลยไม่อยากเรียนกันนะแต่ถ้าหากว่าเรียนอย่างที่เราเรียนที น, นี้มันไม่สนุกนะชีวิตนีงมันจะเต็มไปด้วยพลังแห่งแสงสว่างสไบเราต้องการอะไรต้องการความสบายต้องการความผ่อนคลาย ถ้าเอยู่ในถ้มกลางแสงสว่างที่เราต้องกา ร, รอู่ถ้ำกลางดินน้ำดวไฟที่เหมาะสมะชีวิตนี้ก็เพียงพอละ <c oughs> ไม่จะเป็นต้องมีเงินละไม่จะเป็นต้องมีสมบัตลิละพระพุทธเจ้าท่านถึงประกาศพบเราประกาศสละทิ้งทั้งหมดเลยใช้ชีวิตแบบไม่มีไม่มีเงินไม่มีอะไรเป็นของตัวเองเลยกับอยู่ได้อย่างสบายเพราอกา อ, อาศัย พลังงานเหล่านี้เพื่งแตรรักษาสมบัติยังสมมติว่าพม่าก็ดีลาวก็ดีเขามีแหล่งพลังงานนี่เขาต้องมาวิ่งขาให้เราั้มเราจะเปไปง้อซื้อเขาเขามีขุมขายก็มีไอุมพลังงานมีแรงแก๊สมีแรงน้ำตกเขบ เราก็ไปคอยสร้างใช้กำลังอะไรก็เหมือนกันนะเ <c oughs> มื่อเรามี <c oughs> สิ่งเรื่อนี้เป็นสมบัติได้เนี่ยสร้างขึ้นมาเป็นสมบัติคือเราสามารถสร้างสติสมาธิขุมยาเพื่อที่จะตามรู้การเคลื่อนไหวทั้งหมดของเนี่ยมันกลายเป็นสมบัติมหาศาลพุทธิยถาท่านตรัสว่าอย่างนี้ว่าสมบัติของพระโสดาบันเนี่ยเอามาแยกเป็นสิบหกส่วน สิบหกเซี่ยวเนี่เขาบอกเซี่ยวที่สิบหกยิ่งมากกว่าสมบัติของเจา้าพระภัสติเอ ง, เองเไม่ต้องพูดถึงพระของสีงเกล้าขานาะคราชแม้แต่ของพสมบัติแยกไปสู่หกเซี่วยวนะแต่เซี่ยวที่สิบหกยิ่งมากกว่าสมบัติของเจา้าประภัสติ น, นั่นคือเรียกอาเลสมันมีคุณค่าสูงมากแต่ทําไมคนจังเห็นคุณประโยชน์น้อยก็เพราะว่าคุณสมบัติของคนของมนุษย์ยุคนี้ไม่พอที่จะรับเหมือนเราให้เครื่องคอม พี่เจ้าที่ยี่ห้อดีที่สุดให้ชาวนาสักคนหนึ่งชื่อมาเรียนหนัสือมาเนี่ยเขาเห็นคุณค่ามันไหมเมื่อที่ขายให้ไม่กี่ตังค์เขายังไม่เอาเลยให้พี่ๆยังไม่อยากได้เลยใช่ไหมแต่คนที่ยุ่จเกคุณค่าขอคุณขายเท่าไหร่หให้ราคายังสูงรื่อเลยใช่ไหมมันดีมากๆเลยเหมือ น, บบนกันเมื่อนึยุคนี้ไม่มีคุณสมบัติพอบางคนนะที่จะไปรับเอาสิ่นี้เข้าไปปฏิบัติเขาก็ยังพอใจ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 อ่แล้วเกิดมาเจอชาติ น, นี้แล้วไม่รู้จะเอาได้หรือเปล่าเนี่สงสัยอยู่เลยคิดเลยจะหมดู่ือเปล่าถ้ามันคุณสมบัติไม่พอเอาไม่ได้อยู่ดีเพราะฉะนั้นเราก็ไปเพิ่มคุณสมบัติว่าคุณสมบัติ5ประการจาได้ให้ขึ้นใจเลยนะใช่ไหมมีอะไระมีศรัทธามีความรักความมั่นใจความเชื่อมั่นอ่าแล้วก็มีความเพียรมีสติมีสมาธิมีปัญญาเนี่ยคุณสมบัติเบื้องต้น ให้อย่างไรต้องใช้ไปพัฒนาคุณสมบัตินี่เวลาเราไปสอบเข้าคุณสมบัติคุณยังไม่มากพอเราก็ต้องไปไปไงไปพัฒนาใช่ไหมพัฒนาไปเรียนให้เกิดคุณสมบัติเราคุณยังไม่โคโลฟคุณลีฟแล้วนี่คุนี้งไม่ทำให้คุณสมบัติยังไม่พอไม่คุณลีไฟเวลาจะไปเรียนอยสอบเข้ามหาอะไรใช่ไหมสอบปีนี้ไม่ได้คุณสมบัติไม่พอปีหน้าสอบใหม่อีกนี่นะ สอบหลายครั้งหลายครั้งเข้าคุณลีไฟเหมือนกันนะเพิมาปีนี้ศรัทธาและสนิทสุทรี่ยังไม่พอปีหน้ามาใหม่มาคัดใหม่เพิ่มศรัทธาขึ้นไปใหม่นะมันมาทั้งสอบทั้งสิบครั้งคุณลนะฟมาปฏิบัติทั้งสิบครั้งนะงงี้จำหลักได้เห็นไหมอันนี้คือหลักการเดียวกันเลยนะไม่ใช่แตกต่างนั่นแต่บางทีเราก็คิดไม่ถึงนะ่ว่ามันเป็ น, นเรื่องเนเรื่องเดียวกันนะเราคิดไม่ออกแล้นั้นเรารู้ว่ามันจะต้องเ อ, อมีคุณสมบัติอย่างเนี้เราก็ อย่าให้มันต้องสอบหลายครั้งนะเนาะสอบครั้งเดียวผ่านเพราะนั้นถ้าเข้าใจแล้วจะง่ายชีวิตนี้มันมีความสุขมหาศาลแล้วก็มีประสบการณ์แบ่งปันให้กับเพื่อนมนุษย์งหมายนั่นคือกาไรชีวิตของเราเพราะนั้นการมารกษีเที่ยวนี้ามาทึงปล่อยให้ทำแบบส บ, สบายแต่ให้วิธีการไปทำดูว่าทำงานให้มันปรับให้มันสบายผ่อนคลาย ประมาณนี้เราไม่ต้องการความทุกข์แต่เราก็ต้องปรับเอาความทุกข์มาเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความไม่ทุกข์ความผ่อนคลายแล้วก็ปรับได้แล้วถ้าเราปรับตรงนี้เป็นนะปรับสุขปรับทุกข์ในกายในใจเราเป็นเลือกสุขเลือกทุกข์ในกายใ น, ในใจเราเป็นวัตถุภายนอกไม่ยากเลยนะง่ายๆแล้วต้องการอะไรก็ปรับเอาได้สบาย จูนอับได้สบายเลยใ น, นเรื่องเรา ว, ว่าจูนความสุขความทุกในตัวให้มันสมดุลกันคือชีวิตจริงเนี่ยมันมันไม่มีสุขจริงจริงมันมีทุกข์จริงจริ ง, รงเป็นเพียงปฏิกิริยาที่มันเกิดจากการเกิดดับเท่านั้นเองเป็นแค่คำ ว, ว่าไม่มีทุกข์หรือการไม่ทุกข์เท่านั้นสุขก็ไม่มีมันภาะวะร้อนน้อยหรือร้อนมากทุกข์มากทุกข์น้อยเท่นั้นเองนะ เพราะอะไเพราะการเกิดดับนั้นเป็นพลังงานกลที่จะต้องหมุนตลอดเวลาถ้ามันมีถ้าไม่มีเกิดก็ไม่มีดับถ้า ม, มีดับก็มีเกิดถ้าไม่มีการเกิดดับปั๊กวัฏสงสารก็จะหยุดทันทีเลยใช่ไหมวัฏสงสารหมุนด้วยอาการของที่พระพุทธเจ้าจะธรรมจักหมุนตลอดเวลาธรรมจักถ้ามันหมุนไปทางเรื่องน่าของวิชาเราเรียกอะไร วัตถจักรหรสังสารจากักรใช่ไมแต่แล้หมุนกลับไปอีกทางหนึ่งเรียกว่าธรรมจกมลกลักรเพราะฉะนั้นคํามเทศนากันแรกก็เลยเรียกว่าธรรมจกักรธรรมจักรกับปวัตนสุขหมุนไปทางนี้กลับเลยนะแล้วก็สร้างตราธรรมจกักรขึ้นเป็นตราสัญลักษณ์ของพุทธศาสนาเลยใช่ไหม น, นั่นแหะคือความสําเร็จเพราะฉะนั้นการเกิดดับที่มันเป็นสังสารจากักรเป็นการเกิดดับเรื่องอนาจของอะไรอวิชชาใช่ไหม พอเปลี่ยนไปตรงข้ามเป็นอำนาจ ก, การกระดับของวิช า, าพอเป็นทวิชามก็หมุนไปทางนี้ปับ๊บมันสว่างมุนไปนี้ปับ๊บมันมืดอะเพราะนั้นใครจะหมุนไปทางมุมมืดอะ่ะถ้ารู้จักใช่ไหมแต่ถ้าไม่รู้จักก็จะหมุนไปทางมุมมืดอยู่ในวันนี้ข่ำนะั <laughs> ่ะเระมันไม่รู้จักเอ๊ะแล้วก็บ่นว่าทําไมทุกอยู่นะทําไมเป็นอย่างวันนี้ก็เรหมุนไปทางนี้มันก็จะเป็นอย่า ง, งนี้อยวันนี้ข่ำนะคุณต้องหมุนวัาานนี้มันเลย ก็สว่างนะพุทธเจ้าก็ประกาศเลจะุ้มุทัปาริาังุทพปาริปัญญาทพปาิวิชาวุทัพปาริอโรมปุทัรเนธอมาจักรใช่วหมจักษุเกิดขึ้นแล้วแกเรามาถึงอะไรมาถึงญาณปัญาวิชาไและแสงสว่างที่เราสวดธรรมจักรพระสวดซไปซสมาจะคุ้มุทพปริญานังุทัปารปัญญาุทพปาริวิชาวุทัพิอโรมปุทปิเนี่ยดังนั้นเองเมื่อเป็นอย่างนี้เราก็ต้อง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 นามมาทํางานถ้านามไม่ทํางานรูปจะทําทงานได้ไหมไม่ได้เออแค่คุณไม่มีไม่มีเวทนาแล้วมีแต่รูปอะไม่มีเวทนาหมดละใช่อไหมนามไม่ทํางานนะถ้าตราเวทนาทํางานอยู่หมายควรูปก็ทํางานอยู่รูปทํานามทำเพรเห็นรูปทำนามทํทาพักมันก็จะเห็นกลไกภายในแล้วเหมือนกับฟังก์ชันต่างๆทํ า, าทหน้าที่ เหมือนก็เราจะเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยเราไปกดตัวออนมันก่อนใช่ไหมหุมออนพับอ่าบูทเครื่องหน้าที่ฟังก์ชันต่างทำงานหมดเหมือนกันพอตื่นเ่าพะเวทนามันสมบูรณ์พร้อมก็เราก็รับรู้ตาเห็นหูได้ยินเพราะในช่วงที่หลับนี่ก็เป็นไงแสดบาบ สเตนบายพอตื่นเช้าขึ้นมาก็อปเปิดตาพ้าก็อ่อนเลยมันเมื่อไหรมันมันออปแบบไม่สเตนบายแล้วก็ไปยาวเลยนี่เนีอาไปยาวเลยอพรนั้นชีวิตของเราก็อยู่ลักษณะอยนี้ไม่ต่างสร้างคอมพิวเตอร์ขึ้นมาทำลองชีวิตกลายเป็นมนุษย์หุ่นยนต์ขึ้นมาก็นักวิทยาาสนั่นแหละนั้นเองก็ชีวิตไม่มีทุกข์นะ แต่มีทุกข์เพรเราไม่รู้เท่านั้นเองแต่รูปทางกายนี่เขาไม่เรียกว่าทุกข์นะทางกายเนี่ยเขาไม่เรียกว่าทุกข์เป็นอะไรฮะมันก็สแตนบายอยู่นั่นแหละดูรู้ว่าสแตนบาอย่างก็เรียกว่าสตแตนบายอย่างคือมันมันเขาเรียกว่าการทํางานของกลไกอ่ะมันก็ยังรู้จักจพักใช่ไหม ปนไกลมนุษย์นี่เขาก็ตั้งให้มันหยุดพักแบบออโต้เหมือนกันนะสิบสองชั่วโมงนะแชั่วโมงสี่ชั่วโมงแล้วแต่เราจะหยุดพักได้กี่ชั่วโมงธรรมาชาติเขาออกแบบมาเรียบร้อยแล้วถามว่าเวลามันสแตนบายเนี่ยตัวตัวนุ่มก็พักงานางใช่ไหมคือก็ยังทา ง, งานอยู่แต่ ว, ว่ามันอ่อนลงไปแม้แต่ไฟ ใช่ไโบราณเวลาเขาไม่มีไม่ขี่เขาสีไฟมันจะมันลุกขึ้นตื่นขึ้นมาสีในช้าสีไม่ติดวิธีการเขาก็เวลาเขาจะดับไฟตอนเย็นเขาก็ให้มันแสดงบายเอาขี้เท้าไปกุูปทานเอาไว้ใช่ตอนเช้าเาเกลี่ยขี้เท้าออกเนี่ยต่อได้เลยใช่ไหมถามว่าทำไมมันไม่ดับมันก็มีวิธีแสดงบายของมันเหมือนกันนะธรรมชาติเหมือนกันตอนที่เรานอนเราก็เอาขี้เท้ามากรูไว้เราก็ยังมีไออุ่นมีลมหายใจอยู่ใช่ไหม พอตื่นขึ้นมาไปใส่เชื้อไปลุกขึ้นมาใหม่ซึ่งมันกิในเดียวกันเลยนะมนไม่ซับซ้อนอะไรอแต่ที่เรามันคิดเอามันก็นเลยเป็นเรื่องลึกซึ้งเรื่องเรื่องลักไปนะเพราะนั้นเราเข้าใจวิถีชีวิตแล้วโอ้ช่างมันเป็นชีวิตมันวิเศษทนี้เราเกิดมากา ร, เ, ราเกิดเป็นมนุษย์เป็นของยากแต่ยากที่สุดคือได้มาพบสิ่งนี้นะมีสี่อย่างแค่หนึ่ง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 คือว่าสรุปทั้งหมดโครงสร้างที่ว่ามาปฏิบัติมาเนี่ยเรามาเพื่อเปลี่ยนพลังงานที่เป็นวิชาธาตุให้เป็นวิชาธาตุแล้วเราก็จะเปลี่ยนชีวิตของเราได้เป็นมนุษย์พันใหม่มนุษย์พันอะไรพันที่ทุกไม่เป็นพันไม่ทุกขนะ์มนุษย์พันใหม่เมื่อก่อนมีแต่พันเก่าพันมนุษย์พันทุกข์นะ เป็นมนุษย์ฟันใหม่ทุกคนเ็ไปแล้วก็ไปสร้างใช่ไหมมันก็จะวิเศษมากกว่าที่เราไปสร้างหุ่นยนต์น่ะใช่ไหมเราก็ไปสร้างมนุษย์ที่มันทุกข์แล้วเนี่ยไปไปที่ไม่ทุกข์ก็ใช้กลไกเดียวกันนี่มนุษย์จะแสดงใบชีวิตมันกลไกเดียวกับวิทยาศาสตร์มาว่ามันไม่มันไม่ได้ต่างแต่ขอให้ไปเข้าใจรูกทำนํำทำน่ะให้ได้รูกมันทางานยังไงอืม นามันทํางานยังไงสังเกตดูแค่สองอย่างเนี่ยเวลาเราพลิกแต่ละครั้งเราเห็นลูกทํานามทำไหมคุณพีชายเดือดร้อนตอนแข่งเพิ่งตึงครับนั่นเห็นไ้ยบางทีมันจําไปมันไม่เห็นก็มีนะมันจําเป็นสูตรไปนะ <c oughs> ต้องเห็นด้วยนะแล้วก็กนไก่เราจะให้มันเป็นยังไงชีวิตนี้ตกแต่งได้เลยช่างเนี่ยสมัยที่มันยังไม่ชนานาญเนี่ย มันก็คอยแต่ซ่อมใช่ไหมแต่พอมันชํานาญมากเข้ามาเข้ามันไม่ซ่อมแล้วเป็นไงมันสร้างเออออกแบบเองเลยนะออกแบบสร้างเอารูปแบบจเจ้าแบบไหนใช่ไหมรถนี่จะสร้างยี่ห้อไหนจะสร้างเองเลยเห็นไหมเหมือนกันจิตของเราเนี่ยเราคอยจะไม่ให้มันคิดในทางที่ไม่ดีคอยจะไม่ให้เกิด อ, อกุศลและจิตคอยจะไม่ให้มันปรุงแต่งแต่พอเขาชํานาญแล้วหรืออายุยุ่งมันปรุงแต่งเลย สักสิครั้งเลือกออกใหม่ก็ได้ปรุงสร้างใหม่ก็ได้สร้างจิีนี่ใหม่ก็ได้ใช่ไหมจะปรุงแต่งแบบไหนก็ได้จะเอาอยี่ห้อไหนจิตเนี<ม>่ยอจะเอาอยี่ห้ออรหันต์เลยยี่ห้อสุดารันยี่ห้อสกีทาคามียี่ห้ออนาคามีก็เลือกเอาได้เลยทีเนี้ยบางอ้บอผมไม่ไปพระอรหันต์ลำบากผมแค่ไปพระสุรดารันก็พอแล้วบางคนนะสบายสบายบงคนก็ปรารถนาแค่นั้นจริงเนี่ยนะ พัฒนาแค่สุราบาันเป็นพระทหาร น, นี่ลำบาลแล้วคุณใหญ่ใกเป็นเลยแ้วคุณไม่เข้มแข็งยิงเป็นพระทหาร น, นี่ช่วยคนทั้งโลกอ่ะพัฒนาคนนั้นเป็นสุขทั้งโลกอ่ะคุณต้องไปทำงานหนักมากเลยนะเพราะฉะนั้นออกแบบดีไซน์ที่ใจของเราได้เลยเหมือนช่างมันก็พัฒนาขึ้นไปเป็นวิศวะช่างปูนอะไรไปเป็น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 สำหรับพรุนี้เช้าแล้วก็สอบอารมณ์กันสักพักหนึ่งแล้วก็แต่เราจะปิดโปรแกรมผู้นี้หลังหลังทอาหารกลางวันนะช่วงเช้าหลังอาหารเช้าแล้วทําความสะอาดประกอบเช็ถูแล้วก็มานั่งสัมมนากันสอบอารมณ์รายงานการผลการปฏิบัติช่วงเช้าทังเพินเป็นเสร็จก็ปิดโปรแกรม นั้นในช่วงเย็นวันนี้สิ่งที่มานำเสนอมันนี้เป็นการสรุปทั้งหมดของสิ่งที่เราปฏิบัติมาในช่วงห้าวันเจ็ดวันนี้ว่ามันเป็นลักษณะเนี้ยให้ดูโครงสร้างใหญ่ๆดูแล้วก็ย่อมาเหลือเคล็วิชาก็คือให้ไปดูความรู้สึกสมบัการเพราะนันเองรู้สึกอะไรสบายไม่สบาย พอใจไม่พอใจชอบใจไม่ชอบใจดูแค่นี้แหละดูให้มันชัดชัดแต่ความพอใจไม่พอใจชอบใจมันก็มีบางครั้งแต่ความสบายไม่สบายมีตลอดเวลาใช่ไหมความสบายไม่สบายเป็นเรื่องของกายความชอบใจไม่ชอบใจเป็นเรื่องของจิตเป็นเรื่องของนามก็รูส้สองอย่าง <Okay. S 2> าก็ดูรูปนามดูรูปนามไม่ใช่ดูว่าดูรูปนามต้องดูอาการของมันอาการสบายหรือไม่สบายเนี่ยทันไหมถ้าเราไม่ทันความ สบายก็เปลี่ยนเป็นความอะไรพอใจใช่ไหมความพอใจถ้าเราไม่ทันมันอีกกลาเป็นอะไรปเงี้ยติดใจติดใจก็ยังไม่ทันอีกเป็นเพลินนะเพอเพลินแล้วก็อันนี้แหละไปยาวเลยทีเนี้ยก็ไปตั้งต้นใหม่เสมอไปขยับหาความเฮ้ยเราไปติดความสบายหรือไม่สบายทรือเป า, อ, าอยู่ว่านนุนเพลินรับอากาศไม่สบายหน่อยวิ่งหาพัดลมแล้ว อากาศไม่สบายวิหายแอร์แล้วมันไมอยู่บ้านที่มันยากเพราะมันมีช่องทางที่ออกไปหาความหนีความสบายไปหาความหนีความไม่สบายไปหาความสบายได้ง่ายเนี่ยที่มันยากนี่ถ้ามาวัดเนี่โอ้มันก็จําเป็นจํายอมแล้วมันไม่มีให้เนี่ยพัดลมแอร์ก็ไม่มีให้นี่ก็จะเป็นต้องทนมันก็เห็นทุกเรื่อชัดอ่ะพอเห็นทุกเรื่อชัดมันก็เลยเกิดการปรับเกิดการปรับให้พอดีพอทนได้เท่านั้นเองไม่ถึงสบายนะพอทนได้จิตมันก็เกิดความเบา หน้ากันของจิตจิตสบายก็หนักนะจิตไม่สบายก็หนักแต่ปรับให้มันพอดีเนี่ยไม่ครึ่งเนี่ยมันไม่หนักตรงกลางพอดีอเพราะฉะนั้นถ้าฝึกอยู่ที่บ้านถ้าฝึกเอาความแล้วแค่ทนได้เนี่ยไอคนที่จะอยู่เราก็จะอยู่ไม่ได้ในที่นี้ยอ่สมมติเราอยู่เขาเขาต้องการแอร์เราไม่ต้องการแอร์โอ้ยโอ้ยนอกเขาก็ว่าเราบ้าแล้วเนี่ย <laughs> มันจะยุ่งตรง น, นี้เอง <laughs> อะไรมีแอร์ดีๆคุณไปอยู่นี่ทำไมอะไรคุณป้าไหรือเปล่านมันจะอยู่ไม่ได้หนึ่งเนี่ยอาหารอร่อยทาไมคุณไม่กินเพราะฉันปฏิบัติทำมาแล้วเขามันไม่ได้ไปสวนทางเขาไม่ได้เขาเรื่อนี้ทนกระแสมันมันก็ไม่ทราบไม่ใช่แต่ถ้านในบ้านของเราทุกคนกระแสทุกคนนะโอเคไปกันได้เลยแต่ทีนี้เราชนกระแสอยู่คนเดียวเราจะสู้เขาไหวไหมเฉพาะทางพ่อในคนเดียวหรือยู่คนเดียวเออใช่คนเดียวแต่เวลาไปอยู่กับเขาก็ต้องประตามเพ่อนะอ่า มันก็อย่าระหว่างเราอยู่คนเดียวก็อยู่คนทั่วไปเนี่ยไห น, นมันมากกว่าอยู่คนทั่วไปมากกว่าเออนั่นสนิมเมืันก็ต้องมากัดทรนั้นแหละเพราะนั้นพระพุทธเจ้าต้องบอกว่าอย่างนี้ฉันออกมาบวชดีกว่านั่นก็เลยเป็นทางแต่ไงก็ตามชาวบ้านก็มีทางขึ้นไปถึงแต่ชาวบ้านสมัยนั้นเป็นโสดาสินาคนาคายเยอะกว่าพระนะ พระนี่ท่านบวชไปแล้วเนี่ยพอท่านได้ดวงใจเห็นธรรมพอานบวชแล้วก็เล่งทำอาหารหันต์ให้ปรากฏแต่ชาวบ้านเนี่ยไม่มีเวลาจะไปเล่งอย่างนั้นเอาแค่ไปชว่วด้านนัขาก็อยู่ได้ได้สบายแล้วแต่ว่าพระเนี่ยไม่พอพระสมัยนัน้นมันมีช่องว่างนะหมายความว่าคนที่ได้ดวงใาเห็นธรรมผ่อนบวช ป, ปั๊บท่านก็เล่งใส่ความเป็นพระอรหันต์เลยแต่ถ้าหากว่าคนที่ยังไม่ได้ดวงใจเห็นธรรมเข้าไปบวชเนี่ยเล่งยากอะ่ะเขาไปติด ติดลาสกสกฤตเพราะสมัยนั้นลัภสกฤตเยอะแล้วก็ติดความอะไรหลายหอย่างเลยแต่ว่าบางคนที่ทํางานเยอะเนี่ยนะ<ม>ก็จะปรารถนาก็ไม่ได้ไม่มีเวลาอย่างพระนรูเนี่ยใช่ไห ม, มใช่ไหมโอ้โหทำงานเยอะมากเลยต้องกว่าจะผู้ทีเจ้านิพพานไปแล้วก็ยังไม่บรู้ทําเลยอยังไม่ได้เป็นพระหันเลยยัเป็นพระโสดาบันแค่นั้นเองท่านก็ไปเล่งเอาทีหลังใช่ไหมท่านก็รู้อย่างเล่งเอาเมื่อไหร่ก็ได้ ว่าถ้าคนเล่นก็จะได้เจ็ดวันในเก็บจะไม่ไหวเหมือนนะพราะตอนนั้นพระนุนนี่ถูกไฟบังคับบว่าเพราะว่าจะจนทำสังฆทาน <c oughs> พอผู้เจ้าปฏิพันธ์ไปเดือนหนึ่งจะทําสังฆทานเนี่ยเพราะว่ามีพระไปกล่าวช่วงจับคําสอนท่านพระมหากคสบิบัยเห็นความสําคัามนี้ตายไปเดือนเดียวเนี่ยยังช่วงจับได้ขนาดนี้ตายไปนานๆจช่หรืออะไรคําสอนผู้เจ้าท่านก็ น, นัดไปชุมนะไปชุมเอาพระรหัสขี่หน้สมล้วนๆเนี่ยนะมีปฏิเสธม้ทา มียานสามปฏิัมทาสี่พิญญาหกลุลล้นเลยทีนี้คนที่จะมาสังคยนาบาลีก็ได้แล้วสังคยนาอาภาาอิธรรมพระอนุทวระได้แล้วพระบาลีพระมหาสบแต่ว่าผู้ที่มาสังคยนาพระสูนเนี่ยคนที่จะจำได้แม่นจําได้ทุกที่ทุกที่พุทธเจ้าจะรู้คือพระอนุนแต่ไม่ปฏิบติปัญหาพระอนุนยังไม่เป็นพระรหันยังไม่เป็นพระคีรีโสตมั่งไง ถูกบัเข้าเลยต้องทําให้ใ ห, ให้เสร็จวันจะสังเกตยานายแล้วเธอไปทําให้เสร็จภายในเจ็ดวันเพาหนูก็เล่งเครื่องเดิมที่เลยเจ้ะถึงวันที่เจ็ดอู้ไม่ไหวแล้วพอแล้แค่นี้ทําเต็มที่แล้วฉันทําไปไม่ไหวหรือฉันเป็นนอนดีกว่าแล้วเพราะก้มตัวจะนอนบนรูเลยแค่นั้นคือไม่เอาแค่นั้นอะ่ะ <c oughs> พัวเลยอะ่ะมันปัญหาสําคัญมันจะเอาเรื่องของเรื่องที่มันไม่ได้เนี่ยมีการตั้งทงไว้มีการตั้งทงไว้ เพราะนั้นไปเจอปัญหานี้เข้าโอ้ทำไงผมไม่เอารถหลวี่ผมเต็มที่แล้วนะผมไปนอนดีกว่าเพราะนั้นพระอา น, นุนก็รู้ว่าบรรลุเป็นพระหันด้วยกินิบที่สี่กำลังจะเข้าไปนอนไม่รู้จะยืนก็ไม่ใช่จะเดินก็ไม่ใช่จะนั่งก็ไม่เช่อเอ๊ะไม่ เขาบรรลุหันก็เป็นระบทเยอะบทใ ด, ดบทหนึ่งใช่ไหมแต่พระอนุนันท์สี่นี่บทเลยพ้องกันบทเลยนะ <c oughs> <c oughs> บรรลุธรรมไม่เหมือนเพื่อน <c oughs> เพราะฉะนั้นมาว่าสมัยนั้นพอเขาได้ดวงใจทํำแล้วทั้ ง, งานเขามียเยขาก็เล่ง่เพรา ะ, ะนั้นในอารียบุคคลที่เป็นโซดาซีนัอนาคาเยอะกว่พาพระในสมัยของพุทธกาลเพราบาสุบาศิกาเขาฟังเข้าใจแล้วเขาปฏิบัติกักบการประมาณเลยเขาก็ได้เห็นธรรมได้ไว นะแต่พระที่ยังไม่ได้ลงใจทําเข้าไปบทก่อนนี่เรื่องเยอะสมัยนั้นก็อันนี้ก็แถมนะเพื่อที่ให้เราได้เข้าใจว่ามันไม่ใช่เรื่องยากแต่ว่าเป็นเรื่องที่เราคิดไว้ก่อนมันก็เลยกยากแต่ถ้าเราทําเอาเนไม่ยากก็ทําความรู้สึกทําอะไรก็รู้สึกสบายๆผ่อนคลายแค่นั้นเองใช่ไหมแล้วก็สะสมไปเรื่อยๆสะสมสบายๆผ่อนคลายแล้วหลายอย่างนะตลอดถึงไอ้ความที่จะผ่อนคลายได้ เกี่ยวกับเรื่องของการใช้ชีวิตด้วยนะเช่นคุณไปอยู่ที่ไหนที่มันอึดอัดถ้าคุณไปแช่อย่างนะั้นสภาพกิ่ น, นก็ไปเสียใช่ไหมแล้วคุณจะไปออยู่กับคนที่เขาอะไรล่ะมันมันมันสบายถ้าจะไม่สําราญไปอยู่สรานที่ไม่สําราญไม่สบายแม้แต่ผ้าเสื้อนิ่มห่มเหมือนกันนะถ้ามันไม่สบายเนี่ยเขาปรับให้มันสบายอื คือสำรวจตลอดเวลายกบางคนในเวลานุ่งผ้ารัดตึงอย่างเงี้ยนั่งก็ไม่สบา ย, ยก็ไม่สบายก็บีบรัดอยู่เงี้ยแล้วก็มันมันกลงิงน่ยความรู้สึกมันกระด้างกลงิ่นไม่ผ่อนคลายไม่เป็นธรรมชาติไม่เป็นชีวิตเพราะฉะนั้นเล็กๆน้อยๆเหล่า น, น, นี้ให้สังเกตไว้ดีๆนี่แม้แต่รัดเข็มขัดเนี่ยเพราะฉะนั้นเข็มขัดอจะมารับประกดเข้ามาเมื่อเหมือนผ้าลูกอื่นนะพระหลวงคนใช้วัดกัเอามาจะใช้เป็นแบบ ไอเข็มขัดผู้หญิงไงนะสามารถเลื่อนเข้าออกได้ตลอดเวลาถ้าตึงก็ไปก็เลื่อนออกเฮ้ยอันนี้ถ้าร้อนก็เลื่อนเข้าได้ตลอดเวลาผลิตประเภทนี้ให้เกิดการผ่อนคลายสบายตลอดเวลานะีมันก็เลยทําให้เราการดีไซน์การใช้ชีวิตต่างๆให้เป็นธรรมชาติที่ผ่อนคลายความตึงความเครียดความบังคับกดข่มเก็บกดอะไรเนี่ยอย่าให้มีถ้ามีก็อย่าให้นาน แต่ว่ามันนั่งเครื่องทีหลายชั่วโมงดโทรมานพอสมพวรโวคดีไปเจอโยมที่ก็เจอให้ตัวเฟิร์สคลาสก็บสบายนอนไวเลยนะเนนี่ยะนั้นก็เลยว่าชีวิตทํางานให้มันเกิดการผ่อนคลายแต่อยัติสบายนะแต่ว่าพวามว่าถ้ามันจําเป็นก็อย่าอยู่ก็แช่อยู่ความตึงความเครียดความมาคข้ากบคุมไปนานเพราะว่าจิตของเรามันจะเสียรูปทรงของการผ <c oughs> ่อนคลายนั้นคําว่ามัชชิมาอาปฏิปทาคือการ คลายไม่ตึงและไม่หย่อนและการหูย่ประการก็เอาไว้แค่นี้เนาะ